ก็ค่อยๆผ่านไวัยไปเดี๋ยวอีกหน่อยพวกเราก็เรียนจบมาทำงานทำการแล้วก็มาถึงวัยแบบนักตะวานนี่แหละนะแล้วก็เตรียมตัวอะไรเตรียมตัวตายเลยนะช่วงเวลานิดเดียวชีวิตแป๊บเดียวยังน็กถึงสมัยเป็นชั้นม .3 อ, อย่างพวกเรา สมัยอาตมาท่านเรียกอะไรม .3 น, น่าจะมศสองอมศเวลามันผ่านไปเร็วนะวันนี้ก็มาที่นี่ก็คงจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการได้ได้ยินได้ฟังคำของาศาสดาเราก็คงจะได้ทราบ นะตั้งแต่เช้านะช่วงที่พระท่านมาให้ธรรมะให้กับพวกเราผมจะได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธวัชนะบ้างตามสมควรนะก็พยายามอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ย น, นั่งสมาธิเรื่อยๆเดี๋ยวชีวิตจะค่อยๆดีขึ้น <c oughs> ถ้าเราต้องการให้ชีวิตดีมีความราบลื่นนะ อุปสรรคน้อยนะมีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ได้เป็นคนมีปัญญานะปัญญาจะเกิดได้ต้องละนิวรณ์ห้านะฝึกละนิวรณ์หเรื่อยๆอกุสลในจิตนะและจะเป็นคนที่มีปัญญามีพระศาสดาได้ <c oughs> บัญญัติเอาไว้ น, ะนิวรณ์หาเป็นเหตุให้ปัญญามันถอยกำลัง อกุศลต่างๆในจิตถ้าเราคอยละได้เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นผู้มีปัญญา <c oughs> จบแล้วอยากไปเป็นอะไระข้างหน้า <c oughs> ยังไม่ทราบล่ะ <c oughs> ออยากเป็นอะไรนะตั้งเป้าไวไห้หรือยังยังไม่ทราบนะ ที่จบมาก็ไม่ได้ไม่ได้ทำงานตามสายอาชีพที่เราจบมาบางทีก็ไปเป็นอย่างอื่นก็มีนะก็ชีวิตไม่ค่อยแน่นอนแล้วบางทีจบมาเนี่ยเราคิดดูนะจบมาในประเทศเนี่ยปริญญาตรีจบมาโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนคนเนาะแข่งขันกันทำงานนะ เข้าทำงานเนี่ยก็ต้องขวนขวายกันก็เก่งกันมาทุกคนเลยแต่อะไรเป็นเครื่องวัดความสำเร็จไม่สำเร็จบางคนก็สำเร็จในชีวิตบางคนก็ไม่สำเร็จนะตัวสินธรรมเนี่ยเป็นเครื่องวัดดังนั้นพยายามให้ให้เราเนี่ยมีสินธรรมนะอยู่ในจิตรักษาสินห้าไวแล้วก็ ทำสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าออกเรื่อยๆช่วงนี้อายุประมาณเท่าไหร่นะสิบห้าเหรออัตมาอายุสิบหกนี่เข้าวัดแล้วน ะ, อ, ะอายุสิบหกนี่แบกกฎนะมุงกดมุงหมอนไปวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิละไปคนเดียวเนาะ ชวนเพื่อนไปไม่เคยมีเพื่อนยังอยากเที่ยวเต่อยู่เราก็ไปวัดเราคนเดียว <c oughs> อาคุติอยู่แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธินี่อยู่ที่จังหวัดไหนนะ <c oughs> สงขลาเหรออ๋ออาจามาอยู่กรุงเทพเนี่ยจะไปที่อุบล ไปวัดที่อุบลนั่งรถไฟไปคนเดียวคืนหนึ่งเช้าถึงนะแล้วก็ไปอยู่วัดขอกุฏิท่านอยู่เดินจงกรมนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกนะเดินก็มีจิตอยู่กับกายนะรู้แต่ละก้าวแต่ละก้าวก็จะเห็นว่าชีวิตมันจะลาบลื่นตลอดนะไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไร เป็นนักเรียนเรียนหนังสือนี่อายุ16 17 1 8ิ9สิบปานี่จะมาหาหาเงินได้เป็นแสนแล้วนะรู้จักหาเงินแล้วตั้งแต่เป็นนักเรียนนะแต่คิดว่าไม่ใช่เพราะความสามารถหรอกเพบุญบรารมีเรานั่งสมาธิเรื่อยๆเนี่ยเราหยิบจับอะไรอาชีพอนะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะ เป็นในหน้าซื้อนั่นขายนี่ซื้อนี่ขายนั่นนะหาเงินได้ละตอนเป็นนักเรียนนะก็ชอบถ่ายรูปถ่ายรูปก็ถ่ายป ถ, าย ถ, ายถายปุ๊บทำเป็นสกอสขายเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อนชอบเป็นใหญ่ภาพสวยอ่าได้สตัง์อีกแล้วเห็นะอ่ากำไรภาพละบาทสองบาทคนซื้อเยอะ ได้กำไรเยอะแยะอย่างเงี้ยอ่าก็งานอดิเรกเราก็สามารถทำเงินได้นะนั้น <c oughs> ถ้าเราจิตสงบแล้วเราจะมีปัญญาคิดโน่นทำโน่นทำนี่นะกะทุกะทิกมันก็เป็นเงินเป็นทองได้หมดนะอ่าเพราะนั้นทำสมาธิเยอะๆนะ ปัญญามันจะเกิดขึ้นนะเราจะไม่พบกับความลำบากชีวิตจะสบายนะพระศาสด า, าบอกว่าทำสมาธนะิ8ระดับแรกเนี่ยนะเอาตั้งแต่ง่ายๆปฐมฌมานคือจิตไม่มีอคูสนะ์นั่งแล้วก็เกิดปิติเกิดความสุขนะกรรมตรงนี้จะส่งผลในปัจจุบัน ถ้าเราอยากนะรูปงามอยา ก, กรวยอยากสูงสัก์มียศถาบรรดาศักดิ์ให้ทำสมาธิมากๆนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานปราถนาเอานะขอให้สำเร็จประโยชน์นะพะุทธเจ้าบอกกรรมตรงนี้จะมาส่งผลก่อนนะกรรมมันเกิดจากจิตที่สงบสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะดังนั้นถ้าใครปราถนาอะไรต้องการให้มันสำเร็จประโยชน์เนี่ย พยายามรักษาสินให้ดีสิน5้าเราเนี่ยรักษาเป็นพื้ น, นมาอายุสิบกนีรักษาสิน5้าและฝึกรักษาสิน5แต่ก่อนก็ไม่ไม่ค่อยชอบวัดไม่ค่อยชอบพระหรอกแต่พอไปเจอพระนะที่ท่านปฏิบัติดีๆนะเราก็ไปที่วัดเป็นป่าตีสามท่า น, นตื่นแล้วมานั่งสมาธิ โอ้โหเราปกติยังนอนอยู่เลยตีสนะนันตื่นขึ้นมาทีแรกก็นึกว่าชีวิตพระกินกิ น, นอนนอนไปวันๆแม้มันมีประโยชน์อะไรพระนี่นะแต่ปรากฏว่าเออพอไปดูจริงๆเนี่ยพระที่เข้าปฏิบัติกันนะตื่นแต่เช้านะาจจะนอนก็4ี่ห้าทุ่มนะนอนไม่กี่ชั่วโมงทานก็ทานมื้อเดียวนะนะอยู่แบบชีวิตง่ายๆนะ ชีวอนก็มีสามผืนไม่มีมากชีวิตอยู่ได้แค่ผ้าสามผือนอย่างพวกเราอาจจะมีเสื้อผ้าหลายชุดเลยเนานะชีวอนพระเนี่ยสิบห้าวันสักทีนะอเราก็ซักทุกวันนะ อ, <c oughs> อยู่ใช้ชีวิตง่ายๆนะก็สามารถอยู่ได้ทานมื้อเดียวก็อยู่ได้ก็บาเพ็ญภาวนาไป ชีวิตของพระก็ถ้าใครสนใจก็ลองมาบวชได้น ะ, นะเผื่อชอบก็อยู่ยาวเลยก็ได้น ะ, นะ <c oughs> เวลาเราลองใช้ชีวิตลองมาใช้ชีวิตสลับอยู่วัดบ้างอยู่ปกติบ้างแต่พยายามเลือกวัด ท, ที่ท่านปฏิบัตินะ วัดทั่วๆไปที่ไม่ได้ปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะแล้วคําสอนก็ต้องเป็นคําสอนของาศาสนาะพุทธวัจน์คำของตถาคตาศาสดาของเราเองวันนี้ก็จะแจกหนังสือให้พวกเราด้วยหนังสือคารวะชั้นเลิศนะการเป็นคารวะชั้นเลิศต้องทําตัวยังไงหน้าที่มีอะไรบ้างเราเดินใช้ชีวิตเนี่ยเดินตามนี้ได้เลยนะแล้วก็หนังสือสาธยายธรรม ถ้าเกิดเราต้องการตั้งบ่นสวดมนต์ก็สวดตามสาธยายธรรมเนี่ยเพราะว่าเราคัดมาแล้วเอาคำที่แต่งใหม่เนี่ยออกให้เหลือแต่คำพระาศาสดาเราก็จะได้สาธยายคำพระาศาสดาเป็นเหตุให้เราทรงจำคำพระพุทธเจ้าได้การจำคำาพุทธเจ้าได้เนี่ยพระองค์ก็ยืนยันว่าถึงเราจะขาดสติเวลาตายเราก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดา และในพบของเทวดาเราจะบรรลุธรรมได้นะเขาก็พยายามสร้างเหตุปัจจัยอะไรเป็นกุศลเนี่ยหยิบจับมานะผูะพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายนะต้องพยายามแล้วนะถ้าฝึกสมาธิเป็นก็ใช้ได้แล้วรู้ลมหายใจเนะาะเมื่อกี้เคยได้นั่งแล้วใช่ไหมได้นั่งแล้วนะฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกเนาะนั่นแหละ เอาแค่ okay, นั้นแหละง่ายๆวันๆหนึ่งนึกถึงลมหายใจให้ได้เนี่ยสอสครั้งนะสครั้ง5ครั้งยิ่งมากยิ่งดีฝึกใหม่ๆนี่ได้เวาลา2อสครั้งก็เก่งแล้วนะส่วนใหญ่จิตมันจะหลุดไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอดีตบ้างอนาคตบ้างเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันลองพยายามทําจิตให้อยู่กับปัจจุบันแล้วทำอะไรเนี่ยจะสําเร็จหมดเป็นเรื่องแปลกตรงนี้ต้องลองดู ชีวิตเราจะแซงหน้าเพื่อนๆหมดเลยทำอะไรหยิบจับอะไรสำเร็จหมดเก <c oughs> ่งเท่ากันเนี่ยแต่ถ้าบารมีไม่ดี <c oughs> ก็เรียบร้อยเหมือนกันมันต้องเอาบารมีด้วย <c oughs> นี้บารมีจะสร้างไง <c oughs> ก็ต้องทำสมาธิเยอะๆรู้ลมหายใจถ้าใครมีเวลาทำได้สักวันละครึ่งชั่วโมงนาาบนาทีนะ <c oughs> นั่งเฉยๆเนี่ยรู้ลมเข้าลมออกก่อนนอนตื่นนอนก็ได้ ก่อนนอนก็นั่งสัก15นาทีตื่นนอนก็นั่งสักสิานาทีเดี๋ยวจะเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความสําเร็จราบเลื่นทำอะไรก็ได้สําเร็จหมดอุปสรรคจะน้อยจะเห็นเลยว่าต่างกับเพื่อนๆที่ไม่มีสินทมเยอะนะเพื่อนๆอาตมาที่ไม่มีสินทมเนี่ยขนาดจบกันมาแล้วดีๆก็ถูกไล่ออกจากราชาการบ้างถูกปลดไปบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะ เรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันทำให้เกิดความแตกต่างของบุคคลเลยก็พยายามรักษาความดีเอาไวนะ้ไม่มีใครช่วยเราได้ น, ะนอกจากตัวเราเองพรนะเจ้าให้พึ่งตนพึ่งทำรับนผะิดชอบตัวเองเดินจงกรมนั่งสมาธินะ unting, สิ่ง น, นี้มีใครสักถามอะไรไหมก่อนกลับนะมีไหมใครจะสักถามอะไรเชิญเดี๋ยวสี่โมงเราจะได้กลับกันนะ อ, กอีกสัก5นาที10นาทีเชิญกับมักการพระอาจารครับคือมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวหรือเปล่าที่สามารถบรรลุผลยพัผนผู้เจ้าบอกว่ามนุษย์และเทวดา มนุษย์ขึ้นไปเนี่ยมนุษย์เทวดาบรรลุธรรมได้เข้านิพพานได้เข้าถึงความไม่ตายให้เข้าใจว่านิพพานคือความไม่ตายอมะตะถังเห็นข้างหลังยกมือเนคือว่าเมื่อหรายวันก่อนนะครับอะไรนะรับน้ำมศการนะครับอฮ uh huh. คือผมอยากถามว่าเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมมันได้เสิร์ฟเน็แตแล้วทีน เ, นนนนเนี้ยผมได้ไปเห็นได้อ่านตานานเรื่องแม่นาคพระขนมนะครับอือฮ uh ึอ huh, uh ือ huh. ที่เขาหน้าพักส่วนนี้นครับ ไปทําเป็นเข็มขัดอะครับผมอยากทราบว่าตอนเนี้ยยังมีอยู่หรือไม่ยังมีอยู่หรือไม่ครับอะไรคือมีอยู่คือที่เขาสวนหน้าผาครับปั้นหนึ่งไปทําเป็นเข็มขัดครับอ่าฮะเข็มขัดยังมีอยู่หรือแม่น่ายังมีอยู่หรืออะไรยังมีอยู่เข็มขัดคือที่ทํามาจากศีสระครับเข็มขัดที่ทํามาจากศีสระเหรอยังมีอยู่อ๋มอ ม, มันเรื่องแต่งขึ้นนะมั้งนะอ่านั่นเรามาศึกษาเนี่ยเรามาศึกษาแต่คําตถาคตซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงมีตัวตนจริงๆ ใช่ไหมซึ่งคําสอนเนี่ยถูกเก็บตกทอดมา2000กว่าปีอย่างในคําสอนเนี่ยมันอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากสมัยพระสมัยรอหที่ทําพระสมัยรอหเอาหลักฐานมาจากไหนจากพระสมัยรอหนึ่งพระสมัยรอหนึ่งรัชการที่1เนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากนู่นยุค พ, พระเจ้าโศกมหาราชที่อินเดียที่ส่งทูตไปกระจายคําสอนพระเจ้าไปทั่วโลกอย่างนี้ พระเจ้าโศกอยู่ประมาณสองร้อปีหลังผู้เจ้าปรินิพานดังนั้นคำสอนผู้เจ้าเนี่ยตกทอดกันมานะส่วนแม่น้าพระขนงเดี๋ยวก็ลืมแล้วน ะ, <c oughs> ะเชน่น <c oughs> เปิดไมทิ้งไว้เลยนะไม่ต้องปิดนะไม่เสียงไม่ไม่ดั แบตหมดแล้วอ๋ออ๋ออ๋อมีตัวอื่นไหมไม้ตัวอื่นอยู่ใกล้ๆใครมาส่งมาให้นะส่งต่อไปส่งต่อไปนะขอถามก่อนนะครับส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆอยู่ไม้นั้นก็ถามเลยนี่ก็ส่งไปด้วยอนี่ก็ถามไปกับยามนตรการนะครับอผมอยากถ้าว่า เวลาที่คนเราเนี่ยตายตายไปแล้วครับจากกลายเป็นอะไรครับแล้วก็อยู่ที่ไหนครับแล้วก็แบบพิสูจน์ยังไงครับอยากพิสูจน์นั่งสมาธิจิตให้ตั้งมัน่นนี่นั่งสมาธิยังหลับอยู่เลยจะพิสูจน์ปโธใช่ไหมอ่มันจะพิสูจน์ได้ยังไงใช่ไหมอ่ยังลากความง่วงไม่ได้เลยเนาะส่วนตายแล้วไปไหนเนี่ยกราบได้ตัณหาคือความอยากของสัตว์ยังมีอยู่เนี่ย สัตว์จะได้การเกิดอยู่เรื่อยๆ น, นี่เป็นธรรมชาตินั้นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นคือความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นเนี่ยจะวิ่งจะแล่นไปตามตัณหาวัดชาเคยถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อกายนี้แต่ทําลายแล้วเรายังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พรพุทธเจ้าบอกว่าตัณหาความอยากเป็นเหตุเป็นเชื้อของการได้กายใหม่และไม่ใช่ตัณหาของคนอื่นตัณหาของเราเอง ดังนั้นถ้าเราไปเกิดเป็นเปลืปวิสัยสัตว์นรกโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองเพราะเราเป็นผู้อยากเองที่จะไปเราอยากเพราะอะไรทั้งๆที่เราไม่อยากจะไปนรกแต่เนื่องจากเราเสพพบอกุศลมากเวลาอากุศลเกิดในจิตเนี่ยการพยาบาทเบียดเบียนมีความคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนขเ้าไม่ละไม่ทิ้งเนี่ยจิตมันก็คุ้นเคยกับอกุศลเวลานั่งสมาธิก็มีแต่อกุศลเกิดตลอดเลยนะเวลาตายก็เหมือนกันปุ๊บจิตก็ไปกาะอกุศลก่อนเพราะความเคยชินนะ เราจึงต้องลากความเคยชินในอกุศลแล้วสร้างกุศลขึ้นมากุศลคืออะไรรู้ลมหมยใจเข้าออกนี่แหละเนา ะ, ะทางโน้นได้ไหมธรรมมาสการครับวันนี้ผมได้ฟังมาแล้วเขาในดีวิดีโครับเขาพูดว่าพระอริยบุคคลผมอยากรูก้ความหมายครับอริยบุคคลคือบุคคลอันประเรสริฐสี่จำพวกนะ สคู่8ปดปุษโสดาบันสกะทาคามีอนาคามีพระอาหารหันต์โสดาบันก็แบ่งเป็นอีกสองคือโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลกําลังเดินมัติเนี่ยนะแต่ยังไม่ได้ผลเนี่ยนี่เรียกโสดาปฏิมัติพอถึงผลแล้วก็เรียกโสดาปฏิผล น, นี่ขั้นที่1จากขั้นที่1ก็เดินมัติต่อขั้นที่2เป็นสกะทาคามิมัติแล้วก็ได้ผลเป็นสกะทาคามิผล แล้วก็ขยับขึ้นไปขั้นที่3อนาคามิมกักแล้วก็อนาคามิผลอล า, าตามักอล า, าตาผลอล า, าตาผลก็คือผู้ที่เข้าถึงความไม่ตายได้นะส่วนโสดาบันพวกแรกเนี่ยคือพวกที่พ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดชานเปลิวิสัยอบายไม่ต้องไปอบายต่อไปนะนี่คือประโยชน์ของโสดาบันนะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาจะได้เป็นพระราหารันโสดาบันเนี่ยนยะ นั้นถ้าเราสามารถแตะโสดาบันได้เนี่ยนะก็คือยืนยันความเป็นพระหลันแน่นอนเลยภายในเจ็ดชาติที น, น, นี้โสดาบันทํำยังไงนะเคยดูหมอกันั้มดูเลิกยามเอาไหมมีไหมไหว้สารพระภูมิไหมไหว้เจ้าที่ไหว้ไหมไหวเห็นไหมเลิกหมดเลยถ้าโยมเลิกหมดเลย 100% ยเปอร์เซนตกับผู้เจ้า องเดียวไหว้ผู้เจ้าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีเทพมารพรมใดๆดึงศรัทธาเราออกจากผู้เจ้าไปได้ผู้เจ้าฉันเก่งสุดฉันเคารพมากสุดนะเทวดาพรมทั้งหลายกราบไหว้ผู้เจ้าหมดแล้วเราจะไปวิ่งกราบไหว้ใครไร้สาระนะถ้าไหว้บรรพบุรุษผู้เจ้าเรียกว่ากุลเชษฐาประจายนธรรมเราไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเหตุผลของเราคืออะไร ถ้ายอมไหว้ด้วยความเคารพเรียกว่าเป็นการเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำไม่เป็นไรแต่ถ้าไหว้แล้วอขอให้ลูกลรวยเถิดขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองด้วยนี่มิฉาทิฐิเพราะว่ากรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครบันดาลอะไรเราได้ใครคิดว่าเทวดาบันดาลเจ้าที่บันดาลผีบันดาลพระเจ้าบอกมิฉาทิฐินะ ถ้าเทวดาพรมบันดาลได้แล้วใครบันดาลเทวดาพรมให้ไปนรกใช่ไหมพระเจา้าบอกเทวดาพรมเมื่อสิ้นอายุแล้วเนี่ยก็ไม่รอดพ้นไปได้จากนรกกัมเ ด, ดชานเพลิวิสัยอ้าวเป็นเทวดาอยู่แบบไปนรกอีกแล้วนะเห็นนะใครเก่งขนาดนั้นน่ะลากเทวดาไปไปนรกอะ่ะใช่ไหมก็กรรมของเขาเองเทวดาก็ทํากรรมนะพรมก็เคยทํากรรมมากายวาจาใจทําอกุศลมา ก็ไปรับกรรมอกุศลต่อดังนั้นเทวดาพรมทั้งหลายก็ยังเอาตัวไม่รอดจากนรกกัมเนประชานเปลืวิสัยนะผู้เจ้าจึงให้เคารพพระพทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเอาตัวรอดจากสังสารวัตรนี้ได้แล้ว <c oughs> ไม่ต้องไปนรกอีกแล้วนะเข้าถึงความไม่ตายคือนิพพานได้อย่างนี้นั่นแหละอริบุคคลคือผู้ที่หน้าเคารพ ด, นะดังนั้นพระเนี่ยมาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความเป็นอริบุคคล อาศัยเวลาว่างเพราะว่า <c oughs> เป็นคารวะต้องทํามาหากินเนี่ยหรือต้องมาเป็นพระเวลาว่างมากว่างมากเพราะอะไรเข้าถึงอาชีพอะไรรู้ไหมพระอาชีพอะไร <c oughs> ไหนเดาซะก่นดิพระกข้าถึงอาชีพอะไรใครเดาถูกนะใครเดาถูกให้รางวัลห น, นังสือหนึ่งเล่ม ฮะอาจารย์ครับไม่ใช่หมอครับไม่ใช่ใชพระเขาถึงอาชีพอะไรอาจารย์หมออะไรนี่อาชีพอะไรฮะ huh? นักธรรมไม่ใช่คารวะไม่ใช่เอาใครเดาถู <c oughs> ให้ไคเดาถูกให้เล่มนี้หนึ่งเล่ม <c oughs> อา <c oughs> อาชีพอาจารย์ไม่ใช่ข้างหลังอะไร <c oughs> อะไรนะ นักปราดไม่ใช่อีก <c oughs> นักศึกษาไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่นักอบรมไม่ใช่ผู้เผยแพ่ศาสนาไม่ใช่พระหานไม่ใช่พระเข้าถึงอาชีพอะไรนักไม่ใช่อะไรนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เอาข้างหลังยกมือไม่ตอบ อะไรนะนักบุญนักบุญไม่ใช่นักเดินทางไม่ใช่โอ้โหอะไรร้ยอยกว่าคนตอบไม่ถูกเลยเข้าถึงอาชีพอะไรนะพระอาชีพพระสงฆ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกแล้วจะตกใจอาอาชีพพระขายไม่ใช่พระจะไปค้าขายอะไร <c oughs> พาลงไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เข้าถึงทุกอาชีพ ไม่ใช่แล้วเดีายวสขอทานมาเอาไปเลยมาเอาไปเลยพิกสุเข้าถึงอาชีพขอทาน <c oughs> อ่าเยี่ยมมากผ <c oughs> <c oughs> ู้เจ้าบอกว่า กุลบุตรเข้าถึงอาชีพนี้ไม่ใช่เพราะเป็นคนหนีราชทัน์ไม่ใช่เพราะเป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภยัยไม่ใช่เป็นคนไรอาชีพจึงบวชแต่เพราะเขาเห็นว่าอะไรชาติชรามรณะกำลังมาเยือนเขาแล้วความแก่เจ็บตายทำยังไงดีกว่าหาวิธีแก้ดีกว่าใช่ไหเ อ, อเขาเลยสละบ้านเรือนออก <c oughs> แล้วก็มองว่าอะไร เขามองว่าคารวาสคับแคบนะเป็นทางมาแห่งทุลีทุลีคืออคุสนทั้งหลายเนี่ยบรรพชาการบวชเนี่ยเป็นโอกาสว่างการที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัไดไปแล้วเนี่ยทำได้ยากฉนันเลยเราจะพึงปรงผมและหนวดคลองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยเรื อ, เอรนเถิดนี่เขาคิดอย่างนี้เนาะคนที่บวช ประเด็นอื่นนะเมื่อกี้เห็นมีใครยกมือคาคาไว้อ่าเจ<ร>กนกราบหลวัชการพระอาจารย์ครับผมมีคําถามว่าโยมาบาลเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและพูดภาษาอะไรครับแล้วแล้วก็พญานาครับมีอยู่จริงหรือไม่ครับแล้วถ้ามีอยู่จริงนี่ทําไมพวกเราถึงไม่เห็นกันครับเพราะภูมิต่างเนี่ยอยู่กันเยอะแยะไปหมดระบบชีวิตเนี่ย<ด>ทาไม<ด>มองไม่เห็นคลื่นวิทยุในอากาศมีกี่คลื่น เยอะเลยใช่ไหมเปิดสถานีไหนก็เจอน ะ, อนะเสียงมันมาไงไม่รู้ภาพมันมาไงไม่รู้มันลอยมาในอากาศปุ๊บเป็นเสียงเป็นภาพได้ใช่หอาศัยความละเอียดมันซ้อนกันอยู่นะแต่ละพบปูมเนี่ยนะแต่ละพบเนี่ยผู้หญ้าบอกใหญ่ไม่มีประมาณเลยนะมันก็ซ้อนกันอยู่อาศัยความละเอียดมันเราอยู่กับคลื่นวิทยุไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะ ทนี้แต่และสัตว์แต่และพวกนี้ก็ทำกรรมมาต่างกันไม่เหมือนกันอันนั้นก็ต้องกลับไปดูว่าพูุ้ทธเจ้าบัญญัติว่าใครเกิดอะไรทำกรรมอะไรนะอย่างเช่นพวกเดลาชะา น, นี่ลุงบอกว่าถ้าเราเนี่ยผิดศีล5้าเนี่ยมีโอกาสไปเกิดเป็นเดรลชานนะหรือว่ากายกรรมคดวจีกรรมคดมนโนกรรมคดนะนะคิดอย่างทำอีกอย่างหนึ่งปากอย่างพูดอย่างทาอย่างนะอย่างนี้นะอ่านะ พวกนี้จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์ประเภทงูตะขาบแมลงป่องนี่พู้เจ้าก็จะมีบัญญัติวันนั้นให้เราเข้าไปอ่านในพุทธทษนะเราจะได้คำตอบพวกนี้ทั้งหมดเนาะแล้วยงมาบาลเกิดได้อย่างไรก็เป็นระบบชีวิตพวกหนึ่งนะมีกรรมที่ทำเอาไว้ก็เหมือนกันพวกมนุษย์นี่ก็ทำทั้งกรรมดีกรรมชั่ว แล้วยมมาบาลนะครับพูดพูดภาษาอะไรครับเพราะว่าต่างยานเขาก็ตายเหมือนกันมีหลายประเทศก็มีหลายภาษายังไม่มีบัญญัติไว้นะไม่มีบัญญัติบอกว่าเทวดาพูดภาษาอะไรนะภาษาใจง่ายๆ่ายนะภาษาอ่าเฉยกลับเรียนพระอาจารย์นะครับคือว่าหาก คนเราเกิดมาเนี่ยมีกรรมหมดใช่ไหมครับใช่คือแล้วชาติแรกที่เราเกิดมาเราไปทำกรรมหรือว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรอะ่ะชาติแรกเนี่ยพู้เจ้าไม่ให้สาวไปหาเลย <C ül üyor> เพราะว่าคนสาวหาชาติแรกเนี่ยตายไปสี่คนแล้วยังหาไม่ไม่พบเลยเพราะว่าสังสารัตยเนี่ยยาวไกลามากนะยาวไกลขนาดไหนผูเจ้าอุปมาอย่างปีหนึ่งนี่ก็นานใช่ไหมสิบปีร้อยปีนานใช่ม แต่นี่เนี่ยใช้ระยะความนานเป็นกับนะกับหนึ่งเนี่ย1กับยาวขนาดไหนเคยได้ยินอยู่คำว่ากับเคยั้ม mm. เคยใช่มอืม1กับเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าภูเขาหินแท่งทึบยาว16กกิโลกว้าง16กกิโลสูง16กกิโล100ปีเนี่ยมีบุรุษเอาผ้ามารูปที1นึงรูปไปป๊บทั้งภูเขาเนี่ยก็สึกไปหน่อยหนึ่งอีก100ปีก็โผล่มารูปมาแป๊บนะ ทำอย่างนี้ทุกร้อยปีจนภูเขาหินแท่งทึเนี่ยราบเรียบนี่ยังไม่ถึงกลับเลยนะโอ้โหมันจะกี่ล้านปีแเนี่ยนะอ่าท่า น, นี้มีภิกษุ <c oughs> รูปหนึ่งนั่งดูอดีตได้วันละหนึ่ง0สนกับโอโ้แค่กลับเดียวก็มาหาศาลนะนี่ดูได้วันละหนึ่งแสนกับแล้วภิกษุรูปเนี้ยนั่งดูตลอดทั้งร้อยปีอยากเข้าไปหาชาติแรกเนี่ยเป็นยังไง ภิกษุรูปแรกนั่งดู100ปีตายไปภิกษุรูปที่สองมานั่งดูต่ออีก100ปีตายไปตายไป4รูปแล้วนะยังหาสังสารวัตที่สุดที่เริ่มต้นยังไม่เจอเลยผู้เจ้าจึงบอกไม่มีประโยชน์ในการไปสาวหานะชาติแรกที่เจอนะเอาแค่ในปัจจุบันเนี่ยทำยังไงให้ไม่มีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์ได้อดีตก็เหมือนกันอนาคตก็เหมือนกันดับทุกข์ได้ในปัจจุบันเข้าใจอ่าในวิธี เวลาจะเดินทะลุออกจากป่าไม่ต้องตัดต้นไม้ทั้งป่าใช่ไหมตัดแค่ขวางทางเราก็พอใช่ไหมใครไปนั่งโง่ตัดต้นไม้ทั้งป่าใช่ไหมเมื่อยตายเลยเสียเวลาใช่ไหมการธรรศาสการครับอยู่ไหนเนอะอ่าเชนคนที่ฆ่าสัตว์ให้พวกเรารับประทานนะครับอ่าแล้วพวกเราที่รับประทานไปเนี้ยจะบาปไหมครับแล้วคนที่ฆ่าจะบาปหรือเปล่ามันฆ่ามันบาปอยู่แล้ว แต่ไอ้คนกินเนี่ยน่าสนใจบาปไหมใครว่าบาปยกมือคนกินอืมเอามือลงใครว่าไม่บาปยกมืออ่าหรือใครบอกว่ามีเงื่อนไขมีเงื่อนไขอ่าพวกนี้มีเงื่อนไขอีกแบบนึงมันต้องมีเงื่อนไขนะ คือพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกตว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยกินได้ตามปกติแต่ถ้าได้เห็นได้ยินได้รังเกตว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยไม่ควรทานเช่นเข้าไปในร้านซีฟูด้ดในตัวนี้เลยเนี่ยว่ายว่ า, ยวายอยู่ตรงนนะเนี้ยนะสวยๆเนี่ยขาเอามาใส่กระทะหน่อยเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเราชี้อย่างเนี้ยสั่งเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยเพราะฉะนั้นะ <c oughs> <c oughs> เขาฆ่ากันตามร้านตลาดเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเรานะเราเราจะเกิดไม่เกิดเขาก็ฆ่าแกงกันอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเนี่ยแหละไม่เป็นไรเซนกาบนมัสการพระอาจารย์นะครับคือจากที่รู้มาเนี่ยการละความอยากละกิเลสละความต้องการทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลที่ดีแต่ว่าการที่คนเราเนี่ยเหมือนอย่างเช่นาศาสนาพุทธเนี่ยต้องการให้ ทุกคนมาเชื่อในพระพุทธเจ้าเพียงองเดียวต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามที่ต้องการอนี่ยังถือว่าเป็นความอยากด้วยไหมครับเป็นความอยากเพราะว่าคนอยากหลุดพ้นน่ะคนคนหนึ่งอยากหลุดพ้นอยากไม่ตายอะ่ะก็เออ ม, มนุษย์มันตายกันเต็มเลยสัตว์ก็ตายอะไรก็ตายเอ๊ะไม่ตายมีไหมเนี่ยใครสอนมีใครในโลกสอนไม่ตายใช่ไหมมันไม่มีอะ่ะมันหาไม่ได้ท่นี้ มันก็มีคนโน้นคนนี้สอนเรื่องความไม่ตายเ อ, อ้คนนี้ได้จะไปอยู่กับพระเจ้าออคนนี้บอกอย่างนี้แล้วจะไม่ตายก็ต้องไปพิสูจน์นะความเชื่อของแต่ละคนว่าใครเก่งจริงเหมือนกับเขาว่าเนี่ยไปดวงจันทร์ได้มันทำได้จริงเปล่าหรือมันโม้ใช่ไหมอ่าส่วนคำถามที่สองนะครับ <c oughs> การที่จะไปถึงพระโสดาบัน <c oughs> ไปถึง <c oughs> พระ อ, อรหรันต์แบบนี้เป็นความต้องการที่ยังอยากเป็นอยากได้อยากมีอยู่อีกไหมครับอย่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องอาศัยความอยากตรงนี้ก่อนถึงจะได้ถ้าไม่อาศัยความอยากตรงนี้ใครจะไป ม, มีความเพียรถ้าโยมไม่อยากที่จะหลุดพ้นจะมานั่งสมาธิทําไมนะมันไม่ไม่มีความต้องการแต่มันต้องมีความต้องการที่จะหลุดพ้นแต่ความอยากตรงนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วมันปฏิบัติเพื่อลักความอยากอีกทีหนึ่งกลับมาอย่างนี้อีกทีหนึ่งอ่านี่เป็นความที่บางทีมนุษย์เนี่ยคิดไม่ออกว่า เดินตามมาักแปดไปเนี่ยมันจะตีกลับมาเพื่อล้างความอยากอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับอ่าฮะมานมัสกา ร, รอ่าฮะอยากจกะถามว่าเวลาที่คนเราเนี่ยทําบุญอ่าบุท ร, ริส่วนกุศลเนี่ยให้แก่บรรพุทุลุศนะคะหรือว่าให้กับตัวเองออหรือก็ได้เนี่ยบุญกุศลเนี่ยมันจะถึงคนหลังนั้นไหมคะถึงไม่ถึงก็อยู่ที่ใครทํำยังไงอ่ะไม่เห็นมีรายละเอียดบอกเลย คนนึงก็นั่งบูชาไฟไปคนนึงก็บูชาน้ําคนนึงก็ไปบนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วยอมทำยังไงบนกับอะไรดีหรือไงไม่ตอนีเช่นสมมุติว่าก็ต้องไปถามอาการที่ทํำว่าถึงไม่ถึงก็ต้องถามรายละเอียดตรงนั้นไงเช่นเราถวายสังฆทานเนี่ยสมมุตินะคะเราไปถวายสังฆทานเพื่ออุทิศเสื่อมกุศลให้บรรพุรุษที่เราร่วงรับไปแล้วนะคะถามว่าตรงตุดเนี้ย เขาจะได้รับจริงหรือไม่ไม่เกี่ยวถวายสังฆทานไม่ได้เกี่ยวนะถวายเงินถวายทองถวายให้กับคนตกยากแล้วเขาทํำยังไงอ่ะประเด็นไอ้อุทิศนะ่ะอุทิศอาการอุทิศทํำยังไงไหนใครใครรู้ทํำยังไงไอ้ตรงนี้ประเด็นนี้สําคัญนี่ตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับทําสังฆทานไม่ทําทําความดีอย่างอื่นผู้เจ้าก็บอกได้แต่อุทิศอนะใครทํำยังไงบ้างอ่ะเนี่ยไม่เห็นบอกตรงนี้เราจะมาจะตอบได้ยังไง อาจารย์กำลังถามประเด็นตรงนี้ไงอาเช่นสมมุตินะคะว่าอาโอเคอาเราจะถวายเนี่ยค่ะเอาไปถวายพระพิสุสงิ์ในสังกทานใช่ไหมอุทิศให้อาปุย่าตายายของเราที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยค่ะอาในจุดเนี้ค่ะที่หลายๆคนเขาก็ทำเวลาทาบุญกุศลนะทำบุญต่างๆเนี่ยถามว่าอาคนที่เขาร้องรับไปแล้วจะได้รับบุญกุศลนี้ไหมคะก็เข้าใจก็ถามอยู่เนี่ยอุทิศยังไงอะ ก็ยังไม่ตอบเลยสักทีอุทิศยังไงไหนอุทิศอ่ะอ่ะอุทิศอุทิศยังไงไหนทําท่าทางอุทิศสิการขาในอุทิศป่ะการแขนไหนอุทิตยังไงก็คือเอาเอาถวายสังฆทานไปถวายพระพิสุทธ์แหละค่ะใช่อ่าได้ลค่ะแล้วแล้วอุทิตยังไงอ่ะอ่ะขั้นตอนต่อไปเอาทำทีละขั้นเลยบอกขั้นตอนต่อไปก็คือเอาของไปถวายเสร็จแล้วพระพิสุรับแล้วก็เหมือนเราได้รับอ่าอนิสงค์จากตรงนั้นนะคะอ่าถ้าเอาของไปถวายเสร็จแล้วอุทิศนี้เกิดอัตโนมัติเลยอย่างเนี้เหรอ นี่ค่ะหนูจะถามหนูก็เลยอยากจะถามว่าเราเนี่ยเราไม่รู้ตรงนั้นแต่เรานะทําด้วยนะครับของพุทธศิษย์ชนที่เราเรามีความเชื่อถึงือตรงนั้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยอยากถามพระอาจารย์ว่าตรงจุดเนี้ยที่เรานําของเหล่านี้ไปถวายนะครเป็นอนิสงส์ต่างๆที่เพื่อเป็นพระพิสูจน์เนี่ยเป็นคลสื่อไปถึงบุคคลที่รับไปแล้วเนี่ยถามว่าตรงจุดเนี้ยไม่ว่าจะ โดวยวิธีไหนที่ด้วยพระภิกษุเป็นคนสื่อตรงนี้เขาได้รับจริงหรือไม่อเนี้ยค่ะพิกษุสื่อไม่ได้สื่อไม่ได้โยมจะให้พิสูตถวายของพิสูตแล้วก็พิสูตสื่ออัตโนมัติเลยปึง้งไปให้ญาติอย่างเงี้เหรออันนี้คือความเข้าใจอย่างนี้เหรอหมายถึงแสดงว่าเราเอาถังสังฆทานไปให้ปึ้มแล้วก็ได้เลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คืออย่างนี้นนใช่ไหมที่อุทิศของโยมเนี่ยคือการให้ แสดงว่าโยมบอกว่าการให้ทานคือการอุทิศเหรอไม่เกี่ยวให้ทานก็ได้กับเราเราลักความตันนี่คือการ<ม>ให้ทานแล้วในกรณีที่ว่าอ่าเหมือนความเหมือนในส่วนตรงนี้ค่ะทุกครั้งที่ว่าเวลาอ่าโดยเฉพาะตัวหนูหนะคะยกตัว อ, อย่างเช่นเวลาหนูทําบุญเนี่ยไม่ว่าจะด้วยอ่าบริจาคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถทำยืดเยื้อให้คนอื่นได้เราก็จะนึกถึงนะคะ บุคคลที่เราเคารพรักที่ล่วงลบไปแล้วทุกครั้งเนี่ยค่ะนึกถึงใช่อแค่การนึกถึงอย่างเงี้นะใช่แล้วก็นึกถึงแล้วจะสําเร็จประโยชน์ใช่ไหมว่าเขาจะได้รับหรือเปล่าอะไรเนี้ยค่ะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ว่าเราเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมอ่ก็กําลังถามประเด็นเนี้ยว่าไอ้ที่คิดว่าอุทิ์ศเนี่ยอาการยังไงอาการคือนึกถึงใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอาการแค่นึกถึงเนี่ยไม่ได้เพราะพรุทธเจ้าบอกว่าต้องละนิวรณห้า ถึงจะได้นะอาตอมาก็เลยถามอยู่นี่ถามประเด็นว่าไอ้อุทิศนะอุทิศยังไงไหนแต่ละคนทํำยังไงก็สิบคนมันทําไม่เหมือนกันก็ต้องถามเพราะว่าถ้าโยมบอกอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ได้อย่างนี้ไม่ได้ยังก็ต้องแจกแจงกําลังแจกแจงเรื่องนี้ไงใช่ไหมแต่ถ้านั่งนึกเฉยๆไม่ได้แน่อะอย่างนี้เพราะว่าจิตไม่มีกําลังนะการอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาต้องทําให้จิตมีกําลังนะ ท่านี้กำลังของจิตคืออะไรละนิวรหา้านิวรห้ามีอะไรบ้างกามาฉันทะพยาบาทถีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนอุทจจะกุกุจจะความฟุง้งซ่านวิจิกิจชาความสงสัยลังเลนะนี่เห็นไหมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะไออุทิตมันมีหลายแบบน ะ, ะใครมีอุทิตแบบอื่นบ้างมีใครบ้าง เช่งเมงเหรอเชงเมงเป็นการอุทิศบุญเหรอเอาของให้บรรพุรุษแล้วทยํยงไงเผากระดาษเผากระดาษนี่คือการอุทิศเครื่องใช้ไปเผาแล้วก็ให้พูดชื่อบรรพุรุษที่ตายไปแล้วอ๋อนี่แบบหนึ่งอ่ไหนนี่แบบแบบนี้ทํายังไงไหนอุทิศบุญแต่ละแบบอ่ะขอไม้ตรงนี้หน่อยส่งไม้หน่ะส่งไม หลวงโยมทํำยางไงการนมัสการค่ะออันนี้ไม่แน่ใจว่าจะทําถูกต้องไหมแล้วก็ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์นะคะในระหว่างขณะที่ได้หยิบยื่นหรือได้ให้ออืไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ใช้จิตนึกอนโมทนาอแผ่ออกไปค่ะอหรือแม้แต่การเข้าสมาธิหลังจากการเข้าสมาธินั้นก็อาจจะระลึกนึกถึงบุญที่ตัวเองได้ได้สร้างสมมาตรงนั้นอฮ แล้วก็ได้มีการแผลไปโดยการใช้จิตนะคะใช้จิตอ่แล้วมีแบบอื่นอีกไหมใครใครมีอิทธิบุญแบบไหนอีกมีไหมมีแบบไหนคนนี้ทำอะไรไหนขอไม้ไหนทำอะไรอหไมอาแบบของการนี่ทำอะไรคนนี้กวดน้าคนนี้กวดน้ำ ทำยังไงอาการกวดน้ําิดถึงผู้คนที่ได้ก็นะครับเอา้เอาคิดมันคนละอย่างกับ น, น้ำเนี่ยแล้วต้องมีน้ําหรือเปล่าน้ำอยู่ตรงไหนทํายังไงกวดน้ําิดถงคือขณะที่กวดน้ําก็คิดถึงคนที่ว่าไปแล้วครับแล้วอะไรจิตมันเป็นน้ำเหรอคิดนะมันเป็นน้ำเหรอคืออะไรกวดน้ําต้องเตรียมอะไร ย้มเตียมอะไรมีมีอุปกรณ์อะไรใครเคยกวดน้ำใครเคยกวดน้ำแบบคนนี้เอาเยอะนี่อ่ะไม่เห็นบอกกันเลยฮะไหนนาใช้ยังไงกวดน้ำอ่ะยกมือต้องเยอะไม่เห็นบอกไม่เป็นกันเลยทำยังไงก็คือปกติเวลาที่ <c oughs> อ่ไปวัดใช่ไหมค ะ, ะเวลาเราทำบุญแล้วเนี่ยอที่วัดคือ ที่วัดเนี่ยเขาจะมีที่ใส่น้ําใช่ไหมคะที่กดน้ําเราก็ทำบุญเสร็จแล้วเราก็พอทําบูญเสร็จก็คือมันจะเป็นพิธีกรรมอาจจะเป็นพิธีกรรมก็ได้นะคะไม่แน่ใจแล้วก็เราเนี่ยเราก็ท่องในส่วนของบทแผลเนื้ตาในการกดน้ํำแล้วก็ตรวจลงไปนะคะอ่าตรงนี้มันเป็นความศรัทธาหรือความเชื่อที่เรามีตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เราไปวัดจําได้เพราะว่าอ่าทำไมบอกแค่ความเชื่อทําไมไม่บอกว่าเป็นคําสอนผู้เจ้าออ หรืไม่แน well. ่ใจไม่ค่ะเพราะไม่ไม่น่าอาจจะเพราะว่าเราก็ได้จากอ่าก็คือไปเด็กๆตั้งต่เด็กๆไปวัดนะคะไปคุณยายอะไรเงี้ยจะเห็นอย่างนี้มาแล้วใช่ค่ะเราก็คิดว well> ่าเออนี่มันคือเป็นสิ่งที่เราต้องทํำที่ว่าเพื่อตรวจน้ําเพราะว่าบุญญาบอกว่าเวลาเราทําบุญเสร็จแล้วเนี่ยเราตรวจน้ําก็จะได้อ่าคนที่ร้องน้บไปแล้วหรือคนที่เราตั้งจิตปฏิฐานให้เนี่ยเขาจะได้รับบุญกุศลจากตรงนี้ ก็ปฏิบัติมาก็เลยเชื่อว่าเขาพูดจริงมาตลอดก็หนูไม่หนูไม่สามารถพิสูจน์ได้หนูก็ต้องเชื่อในสิ่งที่ว่าเราปฏิบัติมา uh huh. พอะเรามองไม่เห็นเรา uh huh. เร า, เารู้เพียงว่าที่สิ่ง<ม>าทาวันนี้<ำ>มันพิสูจน์ได้แล้วไงพิสูจน์ได้จากคําสอนในพระตบิดฎกนี่ที่เป็นคําสอนพระศาสดาที่ตกทอดมาสองพันกว่าปีเพราะพระผู้เจ้ามไม่เคยสอนกวดน้ําเลยไม่มีบัญญัติไม่เคยพูดไว้เลยดังนั้นใคร ใครบัญญัติกดน้ําคนแรกยมรู้จักไหมไม่รู้จักยังหาตัวไม่เจอเลยก็ทําตามกันมาเรื่อยๆ <c oughs> อย่างนี้ถ้าก็บอกโลกแบนโรคแบนโอเคทำตามกันมาเ <c oughs> ชื่อกันมาตลอด <c oughs> ใช่ไหมอย่างนี้อคุอนุญาณคะนะคะแล้วเหมือนในทุกวัดที่เราไปเนี่ยนะคะแล้วมันมีจุดตรงนี้อยู่หมายความว่าสิ่งที่ วัดแต่ละวัดที่เขาเสร็จแล้วเนี่ยมีพิธีตรวจน้ำตรงนี้เหมือนบอกว่าในไม่มีบัญญัติใน ใ, ในในของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะถูกต้องแล้วมันผิดไหมคะก็ต้องเลิกไนงะพระเป็นทายาทของใครอ่ะนะพระเป็นทายาทของคําสอนปริพาชกลัธินั้นลัทธินี้เหรอลัทธินี้บูชาไฟลัทธินี้บูชาน้ํา รัทีน่นี้บูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พระต้องไปไหว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บูชาน้ำบูชาไฟอย่างเขาไหมคุณจะเลิกไหมก็ <c oughs> ในเมื่อคําสอนผู้เจ้าไม่มีง่ายนิดเดียวป้าพระจำมาผิดเราก็จำมาผิดเราก็ไปเอาหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลก 2,000 กว่าปีใช่ไหมเกิดมาก่อนพระทุกรูปอ่ะพระใช้วาจีวรเนี่ยใช้ของใครอ่ะหลักฐานอยู่ในไหนอยู่ในนี้พระทระกีดกหมดเลย พุทธวจนะที่อยู่ในพระตาิโดกนะพระตวิโดกไม่ได้ถูกหมดนะมีคำแต่งใหม่ด้วยแต่ต้องลงไปในระดับพุทธวจนะอย่างนี้ไงหน้าที่คนทำผิดนะต้องเลิกใช่ไหมไม่ใช่ไปลบพระตวิโดกทิ้ง 2,000 กว่าปีใช่ไหมอ่าอ่าเชน <c oughs> ไม่ดังไม่ดัง ผมว่ า, าถามว่าทำไมคนบางคนนี่ครับเวลานั่งสมาธิสามารถมองเห็นวิญญาณหรือโทษจิตแบบนี้ได้ครับแต่บางคนไม่สามารถทำได้คนบางคนปรุงแต่งนี่แบบหนึ่งนะแต่คนบางคนได้สมาธิจริงแต่ส่วนใหญ่จะปรุงแต่งสมาธิแล้วการเห็นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อมรรคผลนิพพานถึงจะเห็นได้เยอะแยะมากมายขนาดไหนก็ตามก็ตายแล้วก็ไปนรกอยู่ดีไม่ได้ช่วยให้พ้นนรก ผู้เจ้าก็เลยบอกไม่มีประโยชน์นะอา่าได้ไหมทำนมัสการพระอรย์ครับมีข้อสงสยัยจะถามครับพอดีผมเรียนในแผนกวิชาคหกรรมครับเข า, าก็จะมีพวกทํางานฝีมือพวกใบสีร้อยเมลัยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอาจารย์เขาบอกว่างานใบสีเนี่ยมีครู ρο, มีอาจารย์นะแล้วก็าาทุกปีเขาก็จะจัดวิธีไหว้ครูคอบครูอะไรอย่างเงี้ยครับคนที่มาทําพิธีให้ก็บอกว่าเราอ่ะมีเทพมาอยู่ด้วยนะเราต้องไปรับขัน แล้วขนาดทำพิธีเขาก็จะมาใช้ร่างเราเนี่ยสื่อคือเขาจําอยากมาร่วมพิธีเขามาใช้ร่างเรานะครับเราก็ต้องไปร่วมพิธีก็อยากทราบว่าทําไมเขาถึงมาอยู่กับเราไร้สาระไม่มีหรอกย่อมอยู่อ่าย่อมอยู่กับลมหายใจอ่ะหน้าไหนมันจะมาใช้ร่างเราได้ผู้เจ้าบอกสัตว์ผู้มีอวิชาเนี่ยนะสัตว์ใดถ้าได้อัตภาพใดแล้วจะไม่ได้อัตภาพอื่นระบบของการได้กายมีสมระบบ กายที่สำเร็จด้วยมหาพุทธธาตุสคือดินน้าไฟลมอย่างพวกเราเนี่ยหรือพวกเดลชาญกายที่สำเร็จด้วยใจใจในะมิตได้คือพวกเทวดาทั้งหลายนะมีอินทรีย์ไม่ซามีมอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนนะกายที่สำเร็จด้วยสัญญาพวกปรมนะที่ได้สมาธิตั้งแต่อาการสารนันจายจตนาขึ้นไปนะพวกนี้มีสมรัฐระบบแค่นั้นเองและใครได้อัตราแบบไหนแล้วจะไม่ได้อัตราแบบอื่นนะอ่า นั้นไม่มีที่เขาจะมานั่งอยู่ในร่างกายเราแล้วไปทําโน่นทํานี่ได้ไม่ได้พระุทธเจ้าบอกไม่ได้นะนั้นเขาเข้าใจผิดใครเก่งที่สุดเน่ยเลยต้องถามว่าใครเก่งที่สุดในเรื่องระบบของจิตตรงนี้ใครเป็นสัพพัญญูรอบรู้ทุกเรื่องพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าถึงบอกเชื่อตถาคตตถาคตเก่งที่สุดเนี่ยเรามีความศรัทธาอันอย่างลงมั่นในตถาคตไหมถ้าอย่างลงมั่นปุ๊บเราจะวางคนอื่นอะไรความเชื่ออย่างอื่น อย่างนี้อ่าขอบคุณพระอกกาจารย์ครับกล่าวัสกาครับอ่าว่าไงผมเห็นในทีวีครับเอเเอคนเวลาทําทพิธีครับสักยันอะไรครับเห็นอ ข, อของขึ้นนิม้นแบบมีอะไรเข้าสิงจริงไหมครับพระเจ้าบอกว่าเรื่องแปลกพิศดารในโลกนี่มีเยอะมากแต่ตายเรียบหมดน่ะนะใครจะเครื่องรางของขลังเก่งขนาดไหนก็ตามตายหมดน่ะหนังเหนียวตายไหม ตายไม่มีอยู่ยงคงกรพัน์หรอกไม่มีใครเทวดายังตายเลยนะอ่าเช่นขอการรักษาการพระอาจารย์ครับเนื่องด้วยจากที่เคยมีข่าวว่าเคยมีคนตายแล้วฟื้นนี้เป็นพอเหตุใดครับอ่ะมันก็อัตลากษณมันยังใช้ได้มันก็ฟื้นมาถ้ามันอยากจะฟื้นนะลองเอาไปเผาเนะ่ยให้เป็นผุ๋ยผงนะมันจะฟื้นได้มั้ยเนี่ยใช่ไหม ฟื้นไม่ได้หรอกใช่ไหมอ่าถ้ามหาบุต ธ, ธาตุสี่ดินน้ําไฟลมเนี่ยมันพอใช้ได้และอุปทานยังมีอยู่มันก็ฟื้นน่ะนะแต่ถ้ามันพังไปแล้วก็ฟื้นไม่รอดครับไม่ได้แนะน่นะะอืม <c oughs> <c oughs> อ๊ะไม่ไมอ่ะไม่ไมใช่หมเ <c oughs> พื่อนจะได้ได้ยินใครจะถามเอาไม้ไปรอเลย <c oughs> นะอขอไม้ฟื้นไปเลย พระอาจารย์ครับกรรมธรรมการพระอาจารย์ครคือแล้วบุคคลที่แบบมีสัมผัสที่6หรือว่าซิกเซนอ่ะคือมันเกี่ยวกับบุญกับหรือว่ากรรมที่ไม่ธรรชาติที่แล้วหรือเปล่ายอย่าไปสนใจส่วนใหญ่จะปรุงแต่งซะมากนะขนาดคนมีญาณอย่างรู้เนี่ยอย่างอนิจจังเลยไม่แน่นอนไม่ใช่ว่ามีสัมผัสที่6แล้วจะถูกต้องเสมอผิดก็เยอะนะอนิจจังไม่เที่ยง ยานอย่างรู้อดีตยันอย่างรู้อนาคตทำจากสมาธิยังไม่เที่ยงเลยนะถูกบ้างผิดบ้างคนที่พยากรณ์ไม่ผิดมีคนเดียวในโลกคือพระเจ้านะคนเดียวเก่งที่สุดนะนอกนั้นพลาดได้หมดกับนรมัสการ์เอ้ยกับนรมัสการ์อาจารย์ครับคือผลพระทร้บว่าแบบของเราของจริงครับเราเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็มีจริงพระเยซูก็มีจริง พาเราก็มีจริงเราสมมติว่าถ้าผมไม่นับถือพงในนี้มผมก็ไม่ต้องขึ้นสวรรค์ผมก็ไม่ต้องตกนรกใช่ไหมเพราะว่าเหมือนเราเชื่อพระพุทธเจ้ายม จ, จะเชื่ออะไรไม่เชื่อก็ตามแรงดึงดูดของโลกมีไหมมีพระพุทธ <c oughs> เจ้าเนี่ยเข้าไปค้นพบความจริงใครจะเชื่อแบบไหนก็ตามความจริงจะเป็นอย่างนี้ใครรู้ความจริงของธรรมชาติจริงอ่ะอันนี้แหละดังนั้นศาสนาคนนี้ก็บอกนิพพานนิพพานนี่ก็ไปพระเจ้านี่กับไ ป, บไปอย่างนี้มีจริงหรือเปล่า นะเขาหาตัวตนจริงได้ไหมแล้วคําสอนเขาพิสูจน์ได้ไหมคําสอนศาสดาเราเนี่ยพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะ่นะจิต<อ>เกิดอาการยังไงยังไงเนี่ยนะพิสูจน์ได้หมดมเคยไปซื้อเสื้อตามห้างไหมเคยเคยเสื้อมีต้องหลายร้อยตัวในห้างเนี่ยทำไมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้อตัวอื่นเป็นเพราะอะไรก็ชอบชอบใช่ไหมใครว่าผู้ชายคนนี้โกหกมีไหม มีไหมหรือมีใครซื้อเสื้อที่ไม่ชอบเกียดเกียดแพงก็แพงซื้อมันหน่อยไม่มีใช่ไหมสแสดงว่าถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมพวกเราทุกคนเป็นเหมือนกันไหมซื้อเสื้อที่ชอบใช่ไหมอ่าทนีนี้ถามต่อก่อนความชอบเกิดอะไรเกิดก่อนอที่จะชอบเนี่ยอะไรเกิดก่อนธรรมชาติอะไรเกิดก่อนอยา ก, ยากไม่ใช่อยากอยากมันมาทีหลังไงอยากก่อนอยากจึงมีชอบแล้วก่อนชอบคืออะไร เห็นไหมเรื่องของตัวเราเลยนะเนี่ยกำลังถามเรื่องของตัวเราเอง ก, ก่อนชอบอะไรเกิ ด, ดนี่เก่องไหมษาไปสิความชอบมันเกิดขึ้นได้ยังไงความชอบในเสื้อเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเวลาเราเดินอะ่ะก็เห็นเสื้อมันสวยอะเอ อ, อ เ, เห็นเห็นน่ะผู้เจ้าเรียกผัสสะสัมผัสทางตามีใครเดินหลับตาซื้อเสื้อไหม ไม่มีใช่ป่ะอ่าแต่ถ้าจะซื้อซีดีต้องใช้หูใช่ไหมอ่าหูฟังเสียงสัมผัสทางหูมาปุ๊บเกิดอะไรชอบเห็นะชอบปุ๊บอยากได้ถูกต้องมะพผู้เจ้าเราบัญญัิอะไรรู้ไหผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาคือพอใจเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาความอยากตรงมะตรง 2,000 กว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้ผ่านมา 2,000 กว่าปีอาการจิตยังเหมือนเดิมเห็นมน ธรรมะเนี่ยตรวจได้ด้วยตนเองถูกต้องไหมและอากาลิโกจะ ก, กี่พันปีก็ตามตรงจริงตลอดนี่ไงพิสูจน์ได้และมีใครในโลกเนี่ยพูดธรรมะที่พิสูจน์ได้อย่างพระุทธเจ้าเราอ่านี่แหละเขาถึงศรัทธาคําสอนพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนี้เป็นธรรมะที่พิสูจน์ได้เหมือนแรงดึงดูดเนี่ยใครไม่เชื่อก็อา้าโยนของเนะ่ยจริงไหมจริงใครก็พิสูจน์ได้ถูกต้องไหมนี่แหละเข้าใจป่ะ ครับก็ข้อต่อไปครก็คือผมมันเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าการนั่งสมาธิแผ่เมตตาจะได้บุญมากที่สุดจริงไหมครับเออการนั่งสมาธินี่ได้บุญมากที่สุดแต่แผ่เมตตาเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องทําเลยก็ได้ทั้งชีวิตแต่ทําก็ได้ประโยชน์หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพเจรารักษาะไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตว์ราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นนะ มีสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำการละนะถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมไปบังเกิดในพรหมโลกนี่ประโยชน์ของการแผ่เมตตาแต่ไม่ทำเลยก็ได้นะเราก็หลุดพ้นได้นั่งสมาธิได้นิสสงมากขอคคุณครับกลาบนมัสการพระอาจารย์ครับคือผมเคยได้ยินว่าก่อนพระสักัรยนีพทธเจ้าก็จะมีพระเจ้าพเทเจงง้าองค์อื่นอ่าฮะ ผมอยกจะรู้ว่าแล้วทําไมเราไม่เชื่อคําสอนพระพุทธเจ้าองค์อื่นก็เพราะว่าพระเจ้าทุกองคสอนเหมือนกันจะกี่องค์ก็ตามสอนเรื่สเหมือนกันเชื่อองค์ก่อนก็เหมือนกับเชื่อองค์นี้เหมือนกันครับการสรุเรื่องเดียวกันนะการนมัสการพระอาจารย์ครับอการเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยเป็นกรรมไหมครับการเบี่ยงเบนทางเพศก็ เป็นกรรมทางกายวาจาจิตของเขาที่เขาเคยทำมานะอ่าพระเจ้าจะมีบอกการได้เพศหญิงเพศชายเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะเราเพอใจเองนะอ่าว่าไงถามอะไรไห ม, มอาข้างหลังเชิญคนะำน้ำมศการนะครับผมได้ยินม า, มากๆแล้วคำว่าแผ่เมตตาแล้วผมก็ทํามันโดยตลอดอ่าผมยังไม่รู้เลยว่ามันทําไปเพื่ออะไรแล้วมันเป็นการทําอะไร แล้วทำยังไงอ่ะกที่พออาจารย์บอกเมื่อกี้คือนั่งนั่งแบบนั่งสมาธิแล้วแล้วตัวเราทำยังไงต้องต้องเล่าเล่าที่เราทำอ่ะเราว่้แผ่ไม่แผ่มตาสวสมบนรณ์ามขวแบบสัพเพสัตตาอะไรอ๋อนั่งสวดอย่างเงี้ยสัพเพสัตตาสัตตังหลายที่เป็นเพื่อนทุกอะไรเงี้ยไอ้บทพวกนี้แต่งขึ้นไม่ใช่พุทธปัญานะโลทิ้งได้เลย เพราะฉะ น, นั้นถ้าเราต้องการจะแผ่เมตตาผู้เจ้าบอกต้องทําจิตให้ปราศจากนิวรณ์5้ละอกุศลออกจากจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตละนิวรณ์5ได้แล้วเนี่ยจิตจะมีกําลังให้เธอทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่1นึ่งอย่างนี้แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงนิวรณ์ห้าคืออะไรครับา ก, กามาชันถ้าความพอใจในกามคือพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสนะ ที่มีรดอร่อยน ะ, ะสิ่งดีๆคุณประโยชน์พยาบาทถีนมิทะความง่วงเหงาหานอนอุทจจะกุกุจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลต้องละอาการในจิตนี้ได้เดี้ยวมาให้ไทยอีกเรื่องหนึ่งให้่ายเรื่องพระพเจ้าเนี่ยถามโปตาริยะ บอกว่าคนมีสี่จําพวกในโลกพวกหนึ่งเนี่ยติอย่างเดียวเลยแต่ตามความเป็นจริงโดยการอ น, นควรนะนะรู้การละแล้วก็พูดจริงด้วยแต่ไม่สรรเสริญพวกที่สองพระสรรเสริญอย่างเดียวเลยไม่ติตามความเป็นจริงโดยการอ น, นควรเหมือนกันพวกที่สมไม่ติไม่สรรเสริญนิ่งนิ่งดีกว่าอยู่เฉยเฉยไม่เปลืองตัวนะอ่าพวกที่สี่ ทั้งติทั้งสรรเสริญนะหลักการเดียวกันตามความเป็นจริงโดยการอันควรสี่พวกนี้พวกไหนเลือที่สุด <c oughs> ใครว่าพวกหนึ่งยกมือใครว่าพวกหนึ่งติอย่างเดียวอย่าไปชมเลยเดี๋ยวมันเหลิงนะอ่าใครคิดว่าพวกหนึ่งอ่ามีหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดนะใครว่าพวกสองชมอย่างเดียวอย่าไปติเดี๋ยวมันน้อยใจ น ะ, ะชมอย่างเดียวใครทำดีชมชมนะไม่มีเลยเหรอใครว่าพวกสามนิ่งนิ่งเฉยเนะโอ้เยอะโปรตริยาเขาก็เลือกพวกสามนะ<อ>เขาบอกว่างดงามด้วยอุเบกขาใครว่าพวกสี่ใครว่าพวกสี่นะโอ้เยอะเหมือนกันนะสูสีอ่า พวกไหนเลือกที่เลือกที่สุดพู้เจ้าบอกว่าพวกที่เ<า><ส>หลือสมกับสีละที่มีเยอะใช่ไหมอ้าวให้เลือกอีกทีหนึ่งใครว่าพวกสามพวกสามใครว่าพวกสอ่าโอพอกันเลยพระเจ้าบอกพวกสี่ นะทั้งติทั้งชมตามความเป็นจริงโดยการอันควรนะ เ, เชรับเรียนพระอาจารย์ครับแล้วการสวดมนต์อย่างอื่นนี่คือพระพุทธเจา้าไม่ได้บัญญัติไว้เลยครับเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งที่เองทุกอย่าง ในหนังสือสวดมนต์ปัจจุบันเนี่ยน่าจะปรุงแต่งกับทั้งนั้นเพราะว่าคําที่ออกจากปากพระศาสดาเนี่ยนะหนังสือที่ทํามาทุกเล่มเนี่ยนะเป็นพุทธวจนะทั้งนั้นหนังสือที่ที่วัดนี้รำเนี่ยนะนั้นคําที่ออกจากปากศาสดาดีหมดทรงจําได้หมดนะพระเจ้าไม่ได้เคยบัญญัติเรื่องบทสวดว่าจะต้องสวดบทนั้นบทนี้แต่คำพระเจ้าสวดได้หมด ใครมีแรงจำได้กี่พสูตรจำไปเลยแต่ตัวผู้เจ้าเองสวดอะไรผู้เจ้าเองเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวสวดอะไรใครตอบได้ผู้เจ้าเราสวดอะไรใครรู้ใครตอบได้แจกหนังสือเล่ม น, นี้ ไม่มีแจกให้วันนี้น ะ, ะพระพุทธเจ้าสวดอะไรอ่ะปิปะจสมุตอะไรนะ <c oughs> พุทธเจ้าสวดอะไรดีนะไม่มั่นใจค่ะพระอาจารย์อ่าปาิปจาสมุบาทหรือเปล่าปติจสมุบาทอ่ามารับไปเลย <c oughs> ไมยมีใครตอบได้เลยแม่หนังสือตามรอยธรรมนะปฏิจจสมุปบาทเอาเฉลี่ยคืออะไรอะไรนะที่บทที่พระพุทธเจ้าสวดนี่คือบทที่พระพุทธเจ้าสวดคืออะไรเอ๊ะเอามาแจกหน่อยดีไหมล่ะเนี่ย มีพอเปล่าไม่รู้สงสัยจะไม่พอเนี่ยบทนี้นะปฏิจจสุบาตก็คืออริยสัจ4ีในส่วนข้อที่สองและข้อที่สามสมุทัยกับนิโรธสมุทัยคือสวดพระองค์สวดเหตุเกิดของความตายความตายเกิดมาได้ยังไงและสวดเหตุดับของความตายนี่นะพระศาสดาสวดตรงนี้เนาะเข้าใจเนาะ เอาที่ไม่เคลือบก็ได้มีไหมเพราะเคลือบคงจะไม่พอการนวัตกรรอ่าฮะเยีก่การนวัตกรรมครับทราบว่าศาสนาอื่นมีสิทธิ์ที่จะนิพพานได้ไหมศาสนาอื่นมีสิทธินิพพานได้ไหม <c oughs> เป็นคําถามเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ถามผู้เจ้าก่อนปเรณิพานชื่อสุภัตทะ โอ้โหไม่ธรรมดาเนยนี่สุพัทธ์ประิภาชกลัทธิอื่นก็มาถามผู้เจ้าอย่างเงี้ยว่ามีไหมลัทธิอื่นศาสนาอื่นเนี่ยหลุดพ้นได้ไหมมีพระหลานไหมมีความพ้นทุกข์นิพพานได้ไหมผู้เจ้าบอกว่าในคําสอนนั้นเนี่ยมีอริยมรตมีองค์8ปดไหมศาสนาใดคําสอนใดมีมรตมีค8ศาสนานั้นก็มีความพ้นทุกมีพระหลานมีนิพพานเหมือนกัน แต่พระศาสดามองไม่เห็นเลยว่าศาสนาใดมีมรรคมีองค์แปดโยมไปตรวจดูก็ได้นะก็เลยเหลือแต่ทำวินัยนี้ที่เดียวที่มีมรรคผลนิพพานความปนทุนะ <c oughs> อะไรนะมีแต่ที่เรื่อไม่เพื่อไม่มีเหรอสงสัยไม่พ อ, อ <c oughs> อ๋อในบทสวดมนต์มีอยู่แล้วเดี๋ยวจะแจกหนังสือสวดมนต์อยู่แล้วหน้า22นะปฏิจจสุบาทไปสวดบทตรงนั้นเนาะอ่าอ่าใช่ใช่จะแจกนี่พอดีหลึงอ่าประเด็นอื่นนี้ไหม พระพุทธเจ้าตอบปัญหาของคนทั้งโลกไว้หมดแล้วความเห็นของคนในโลกเนี่ยมี62บแบบ พ, พุทธเจ้าเรียกทิฏฐิหกมนุษย์คิดไม่เกิน62แบบนี้ดังนั้นคำถามอะไรก็ตามที่ใครถามจะมีคำตอบโดยพุทธวจนะทั้งสิ้นนะกรรมวัสการค่ะพระอาจารย์ขออนุ ญ, ญาตถามอีกร อ, อบหนึ่งค่ะ ก็คือตอนนี้ตามความเข้าใจของของหนูนะคะก็คือการแผ่เมตตาเนี่ยจะต้องใช้จิตที่เบิกบานแล้วก็อุทิศกุศลนั้นออกไปโดยไม่ต้องใช้ภาษาใดๆใช่ัหมคะเอ่อเดี๋ยวอาศัยจิตที่เบิกบานไม่ใช่อาศัยที่อาศัยจิตที่ละนิวรห้าได้คือละทุกอย่างใช่ไหยคะท่านนิวรห้าหรืออกุศล3าอย่าง ประเด็นคือต้องชี้ไปที่อกุศลค่ะนะถ้าถ้าหากว่าในระหว่างที่หนูให้นักเรียนนั่งสมาธินะคะ อ, อหลังจากมีการนั่งสมาธิแล้วมีการแผ่เมตตาหนูจะควรจะนํานักเรียนแผ่เมตตาอย่างไรคะท่านแผ่เมตตาอย่างไรแล้วก็อ่านบทแผ่เมตตาเพราะว่ารายละเอียดแต่ละคนเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน พรุทธเจ้าก็จะตัดไว้กับวาเสตทะเนี่ยว่าวาเสตทะเมื่อจิตของเธอปราศจากนิวรห้าแล้วให้เธอทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่1นึ่ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้อ ง, งต่ำเบื้องขวางพระพุทธเจ้าบอกหลักการและวิธีในการแผ่เมตตาแต่ไม่ได้บอกอรายละเอียดตรงนั้นว่าใครจะแต่ยังไงอะไรยังไงเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิแต่ละคนไม่เท่ากันนะ ดังนั้นสมาธิที่ยังมีวิตกวิจารยังใช้การคิดอยู่ก็คิดไปใช้การคิดแต่ถ้าวิตกวิจารไม่มีแล้วก็ใช้กำลังของจิตแผ่ความรู้สึกออกไปแค่คนั้นเองนะนนะปัจจุบันนี้ล่าสุดค่ะหนูก็ใช้บทแผ่เมตตาหกทิศนี้ยังใช้ได้ไหมคะท่านแผ่เมตตาหกทิศเป็นยังไงที่มีทิศตวาเศรษฐาหรือปะ มีเริ่มต้นจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องหน้าจงเป็นสุขเถิดจงพ้นทุกเถิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอครบหกทิศก็มีการแผ่ไปทั่วทั้งจักรวาล น, นะคะผู้เจ้าบัญญัติหรือเปล่าตรงนี้นตรงนี้นหนูเลยไม่แน่ใจคะ่ะท่านเลยอยากจะไม่ไม่เคยได้ยินค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เจ้าบัญญัติรวมไว้ให้แล้วในหนังสือเล่มนี้นะค่ะเราก็ไปกลายเป็นไปทรงบท ป, ปัญชนะที่นักกวีแต่งใหม่ ศา ส, สนาพุทธจะเสื่อมเพราะว่าเราไปทรงบทพันธะของคนแต่งใหม่แต่ไม่ทรงบทพันธะพระตถาคตพระองค์เปรียบเหมือนกลองสึกของกษัตริย์ทศราชหาชื่ออนากาศมีอยู่กลองอนากาศนี้เมื่อตีไปในที่สุดก็แตกกษัตริย์ทศราชหาก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลือจะเพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคําของตถาคต เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกตุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้คําพระเจ้าจะหมดไปจากโลกถ้าเราไปเชิดชูคําแต่งใหม่ค่ ะ, นะะนั้นเราไม่เอาคําแต่งใหม่โยนทิ้งหมดเอาคําพระเจ้าอย่างเดียวคําพระ <คำ S 2> เจ้าเราไม่ดียังไงถึงไม่เอามาใช่ไหมอ่าเราต้องเอาคําพระเจ้าตอนนี้บทบทที่พระอาจารย์จะแนะนําจะอยู่ในหนังสือพุทธวจนะใช่ไหมคะใช่นี่จะแจกให้ด้วยเนี่ยค่ะ อยูน่าหน<า>ึ่งร้อยนะค่ะต้องกลาบขอบคุณกันใช่ไห ม, ม, มจะได้ใช้ในบทที่ถูกต้องกับนักเรียนค่ะท่านอ่าฮะฮะอ่ามีประเด็นอะไรอีก หมดแล้วมั้งคำถามนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีผมหรือไม่มีผมปงผมหรือไม่ปงผมปงผมเหรอรูปภาพพระพุทธเจ้าอ่ะ มีผมไม่มีผมแล้วรูปปั้นพระพุทธรูปมีผมไหมแล้วตกลงผู้เจ้ามีผมหรือไม่มีผมกันแน่ใครว่ามีผมใครว่าผู้เจ้าไม่มีไม่มีผมพอกันเลยแล้วอันไหนถูกอ่ะฮะ วัฒนธราา ร, รมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัดมธรรมวัฒนี่รมวัฒนธรรมวัฒนี่รมวัฒนธรรมวัฒนกรรมวัฒนธรมีทฒนธรรมวัฒ่ธรรมวัฒนวัดนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนเรมวัดนี่ดูวัฒนธรเป็นธรรมวัตนและเป็นความวัริงที่นธรตัวงแต่สัมวันธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธวันธรรมวันรรมวัฒนธรรมทัฒนธรรวัฒนธรร่วันธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมัฒนธรรมวัฒนธรร่วัฒนมรรมวัฒนธรมวัฒนธรมวัฒนธมวัฒนธมวัฒนธรมวัรัฒนธแบบนี้ แล้วก็มีการตกแต่งวัดมีพิธีกรรมมีบทสวดต่างๆมากม<อ>ายแล้วทำไมถึงไม่มีใครชี้แจงให้เข้าใจก็เพราะว่าพระเนี่ยห่างเหินจากคำสอนพระศาสดาตนเองนักธรรมตีโทเอกประเรีนน 1-9 ถึงที่เขานั่งเรียนกันเขาไม่ได้เรียนพุทธวจนะนะเขาเรียนคำที่แต่งขึ้นใหม่ น, นี่คือปัญหาซึ่งพระเจ้าพรรยากรณ์ไว้แล้วในแผ่นพับตัวเนี้ย ผู้เจ้าบอกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจกมีภิกษุไม่สนใจคําตถาคตโยมคนนี้แผ่เมตตายังไปเอาคําแต่งใหม่เลยเห็นไหมโยมยังกวดน้ําเลยซึ่งเป็นบทแต่งใหม่หมดเลยเอาเนี่ยเราเองเลยละ่ะทำศาสนาเสื่อมเองใช่ไหมอ่ามันเริ่มมาจากพระไม่ได้เริ่มจากคารวะเพราะพระเสื่อมมาก่อนเมื่อพระเสื่อมพระไม่ศึกษาพุทธวจนะไม่ปฏิบัติตาม ก็มาสั่งสอนพวกเราผิดไปเรื่อยๆพระก็ยังรับเงินทองแต่ผู้เจ้าห้ามรับเงินทองเห็นนะแต่ทำไมรับเงินทองไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระทุกลูกเป็นอะไรเป็นสาวกเป็นสาวกสาวกต้องปฏิบัติตามคำสอนของใครของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าจบแล้วแค่นี้เองขอบคุณมากครับถามด้วยความไม่รู้นะครับกับนรัสการพระอาจารย์ครับ Uh huh. อ, อยากจะถามว่า uh huh. คือเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่า <c oughs> พระพุทธเจ้าตอบได้ทุกคำถาม uh huh. จะมีคำถามอันไหนบ้างครับที่พระพุทธเจ้าตอบไม่ได้คำถามคอคำถามที่ตอบไม่ได้ไม่มีแต่มีคำถามที่ไม่ตอบอ <c oughs> <c oughs> อีกคำามหนนะครับสมมสัตว์ที่ใกล้ตายแล้วเราไปฆ่ามันตายเลยเนี่ยจะบาปไหมครับสัตว์ที่มันจะใกล้ตายแล้วเราไปฆ่ามันครับเหลอเราไปฆ่ามันเลยเราจะบาปไหมครับบาปสิฆ่าสัตว์นะรู้ได้ไงว่ามันจะตายอาจจะรอดก็ได้ใช่ไหมให้มันตายธรรมชาติดีที่สุดนะ เราอยากรู้ว่าผีในโลกมีจริงไหมคะอะไรในโลกนะผีในโลกมีจริงไหมคะผีในโลกมีจริงไหมเหรอผู้เจ้าไม่มีคําว่าผีอ่ะแต่ผู้เจ้าชี้ไปเลยว่าเปรตวิสัยสัตว์นรกยักษ์นาคคนพันอสูรไม่มีคําว่าผีชี้ชาติลงไปเลยว่ามันคือพบอะไรสัตว์ประเภทไหนนะไอผีเนี่ยมันสั์ของพวกเราเองพวกเราเจอเทวดาก็ผีเจอเปรตก็ผี เจอยักษ์ก็ผีอย่างเงี้ยนะการรัมวาสการค่ ะ, ะหากในระหว่างที่ก่อนที่เราจะสิ้นใจนะค ะ, ะเราควรจะวางจิตยังไงคะท่านก่อนสิ้นใจวางจิตอย่างไรเพราะว่าในขณะนั้นอาจจะมีทุกขเวทนาค่อนข้างมากล่ะ ใครตอบถูกได้อย่างผู้เจ้าเป๊ะๆนะแจกอีกหนึ่งเล่มก่อนตายวางจิตยังไงก่อนตายไม่หมูไม่หมูนะเอาเอาให้ตรงนะวางจิตยังไง คิดในความดีที่เคยได้ทำมาไม่ใช่อุเบกขาไม่ใช่าวางจิตไวท้ที่เอ้าเดี๋ยวเยวนี่ยแล้วเล็กถึงพระเจ้ายัางไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ใช่โน่นน่ะปล่อยวางไม่ใช่อะไรเออ <c oughs> คนนี้ตอบก่อนอยู่กับลมหายใจ <c oughs> อ่ามารับอีกหนึ่งเล่ม โอ้โหเมาอยู่คนเดียวอะไฮะกับรักศึกษาค่ายอาจารย์ครับย้อนกลับไปคำถามก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 งสาคำถามครับที่อาจานถามว่าพระพุทธเจ้ามีผมไหมแล้วตกลงมีผมหรือไม่มีผมครับมีผมหรือไม่มีผมอ่าอยากรู้คำตอบไหมอ่า ถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกบริบทต่างๆในพระสูตรต่างๆเนี่ยสมณพราหมณ์เหล่าอื่นปริพาชคทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกผู้เจ้าเราว่าอะไรรู้ไหมใครตอบได้ <laughs> ใครตอบได้ว่าเขาเรียกผู้เจ้าเราว่าอะไรที่สามารถเป็นคำตอบตรงนี้ได้นะ ที่เป็นคำตอบตรงนี้ใว่าผู้เจ้ามีผมไม่ม hmm ีผมเพราะชื่อผู้เจ้ามีเยอะนะนะอานวัตการพระอาจารย์ครับคือในแต่ละวัดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากำลังตอบคำถามตรงนี้อ้าวใครใครตอบบทพันะได้ตรงๆเอาไปอีกหนึ่งเล่มอะไรนะ สมณะสมณะโคโดมคือคือชื่อเนี่ยมันก็ใช่อยู่แต่มันยังไม่ไม่ได้เป็นคําตอบไงต้องเป็นคําตอบที่ชี้ไปเลยว่าทําให้ได้คําตอบว่าผู้เจ้าเรามีผมหรือไม่มีผมเห็นไหมอ่าเขาเรียกผู้เจ้าเราว่าอะไรอ่าใครใครตอบได้เอาอานาปานสติไปเล่มนี้อ่าให้ <c oughs> <c oughs> คนนี้ตอบเดียว ขอคนอื่นบ้างสิเดี๋ยวจะเมาคนเดียวยังไม่รู้หรอเขาตอบอะไรแต่เดาไว้ก่อนว่าเขาอาจจะตอบถูกให้คนอื่นใช้ความพยายามบ้างน ะ, ะแบ่งรางวัลไปบ้างแบ่งรางวัลเดาซิปลิปภาโชคเขาเรียกพระตถาคตเราว่าอะไรถึงทำให้เราได้ทราบว่าพูะเจ้ามีผมหรือไม่มีผม <c oughs> ไหนมีใครทราบบ้างอะ เรียกว่าพระอัญญาโกธัญญาไม่ใช่เรียกอย่างนั้นก็ยังไม่รู้อีกอยู่ดีน ะ, ะ ใ, คใครว่าเขาเรียบเชิญอะไรนะสังฆ า, าคิรีเหรอไม่รู้ไม่ใช่อะไรนะข อ, ขอมะไม่หรอไม่ได้ยิ น, ยน ม, มีไม่ไห ใครจะตอบเอาไม่ไปรอเลยนะไม่มีผมธรรมนะหัวโล้นครับอะไรนะไม่มีผมธรรมนะหัวโล้นตกลงเรียกอะไรแน่เรียกคุเจ้าว่าอะไรแน่เอาขอตรงๆเป๊ะๆฟันธงเลย <c oughs> ขอฟันธงเลย ส, สมณะหัวโลนสมณะหัวโลนมารับไปเลยอ <c oughs> ผลิพาชคทั้งหลายเขาเรียกพระศาสดาเรา ว, ว่าสมณะหัวโล้นหรือคนโล้นก็มีนะอเห็นไหมเป็นคำตอบได้แล้วครับาักการครับคำถามต่อยอดครับนะฮะว่าแล้วทำไมแบบรูปปั้นที่เราเห็ น, นครับทำไมพระเจ้ามีแบบเป็ น, นคล้ายเป็นจุกกลมๆครั บ, รบก็เขาไม่ศึกษาพุทธวจนะคำตอบเดียวเลยนะ ฟังตามๆกันมาทำตามตามกันมาหลักฐาน 2,000 กว่าปีไม่ไปอ่าน <c oughs> ก็แค่นั้นเองถูกเก็บไปในตู้ใช่ไหหลักฐานเนี่ย 2,000 กว่าปีสืบทอดกันมาเนี่ยตั้งแต่ยุครอหนึ่งรอหมาถึงปัจจุบันใช่เป็นอย่างนี้เมื่อกี้ใครนะคำถามยังคาไว้เนี่ยนะคือจะถามว่าแต่และวัดเนี่ยมันนีพิธีกรรมหลักธรรมเนี่ยที่มีความเชื่อต่างกัน Uh huh. เออแล้วทาไมถึงไม่จัดทำสังคยนาหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้มีความคิดในด้านนี้ตรงกันชื่ออะไรนะคนถามสารัฐเหรอสารัฐอ๋อเดี๋ยวรอสารัฐเป็นนายกแล้วช่วยแก้เลยนะ อ, อ, อ, อสังคยนาเลยนะทำวินัยคืออะไร ใช่ไหมเพราะฉนั้นในยุค ก, ก่อนๆเขาเนี่ยเขาก็พยายามสั่งขยันาเพราะเวลาพอการล่วงเลยไปคนโน้นก็คิดไอโนนคิดไอหนี่ใช่ไหมเหมือนนั่งสมาธิก็เป็นนั่งคําบริกรรมยุบพองพุทโธสัมมาระหังอะไรอย่างนี้เห็นไหมจีปาถะวัดก็มีสายป่าสายบ้านธรรมยุทธ์มานิกายผู้ช่างไม่ได้บัญญัติเลยเนี่ยนี่คือปัญหาดังนั้นถ้าให้ทุกคนศึกษาพุทธพจะนะแล้วนําไปปฏิบัติตามจะผิดเพี้ยนกันได้ไหม ไม่ได้ทุกวัดจะตรงกันหมดเลยสอนเป็นหนึ่งเดียวกันคือสอนพุทธวจนะถูกต้องไหมอ่าเพราะพระไปปรุงแต่งขึ้นมาเองบ้างบัญญัติเพิ่มและเพิกถอนพระเจ้าจึงสั่งว่าภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัตินะสั่งภิกษุเลยภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนต้องฟังตถาคตผู้เดียวเข้าใจไหมอ่าอ่าเช่น มนุษย์ต่างดาวนี่อยู่ในภพภูมิอะไรครับมนุษย์ต่างดาวไม่มีพระเจ้าบัญญัติมนุษมีสี่พวกซึ่งในศัพท์ปัจจุบันอาจจะเรียกมนุษย์ต่างดาวก็ได้มนุษย์พวกเราเนี่ยเรียกมนุษย์ในชมพูทวีปมนุษย์ในอมละโคยานทวีปนะอุตรัสกุลทวีปปุพพาวิเทหะเนี่ยสกลุม่มมนุษมีสี่พวกเนะาะ ไลละเอียดไปนั่งหาอ่านเอ า, าว่าอยากรู้ว่าสวรรค์ชั้นสูงที่สุดชื่อว่าอะไรสวรรค์ชั้นสูงที่สุดเหรอพวกที่ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะพบเนี่ยนะเดี๋ยวหนังสือพบภูมิกำลังออกม า, าเดี๋ยวมารับแจกไปเนาะหนังสือพบภูมิเราจะแบ่งสวรรค์พระเจ้าเนี่ยจัด กลุ่มหมดเลยแผนผังที่31พบภูมิอะไรที่ติดตามวัดเนี่ยอันนี้ปรุงแต่งนะถูกบ้างผิดบ้างคล้าเค้ากันไปเดี๋ยวเราจะทำผังใหม่นะที่เป็นพุทธวจนะทั้งหมดนะให้พวกเราได้ศึกษาเนา ะ, อ, ะอย่าไปได้อย่าไปอยากได้เลยสวรรค์ชั้นสูงสุดสูงแค่ไหนก็แก่เจ็บตายไม่เกิดประโยชน์เข้าใจสิ่งที่ดีที่สุดคือนิพพาน นิพพานคือเข้าถึงความไม่ตายอมตนะธรรมเนาะมีประเด็นอื่นไหมเออเอขอไม้หน่อยขอไม้ข้างหน้านิดนึงามาตรการครับ ตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ภพใดตอนนี้พระเจ้าอยู่ภพใดหรอพระเจ้าละขาดแล้วซึ่งภพจะไปอยู่ภพใดอ่ะแล้วตอนนี้ไม่มีตัวตนครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงก็คือพระเจ้าก็เข้ามรคนิพพานมรคนิพพานเรียกอสังคตะธรรมชาติที่ไม่ปรากฏการเกิดนั้นวัชชตเนี่ยเคยถามอันเนี้ยกับ ผู้เจ้าว่าพระอรหันต์ที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยไปเกิดที่ไหนวัดชาก็ถามผู้เจ้าว่าพระอรหันต์ที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยไปเกิดใช่ไหมผู้เจ้าบอกไม่ใช่นะเหมือนเราถามว่าไปอยู่ภพไหนไปเกิดใช่ไหมผู้เจ้าบอกไม่ใช่วัดชาก็ถามต่อไม่ไปเกิดใช่ไหมผู้เจ้าก็บอกไม่ใช่เอ้างั้นทั้งเกิดทั้งไม่เกิดผู้เจ้าบอกไม่ใช่อีกเอ้าทั้งนั้นเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ผู้เจ้าก็บอกไม่ใช่อีกนะวัดชาก็เลยบอกเริ่มงงแล้ว ผู้เจ้าตอบอะไรไม่รู้เรื่องไม่ศรัทธาผู้เจ้าละ <c oughs> ผู้เจ้าก็เลยบอกว่าวัชชะ <c oughs> เอาอย่างนี้ <c oughs> เธอเห็นกองไฟที่ลุกโรลงอยู่ตรงหน้านี้ไหมวัชชะบอกเห็นไฟที่ลุกโรลงเนี่ยมันลุกด้วยอะไรรู้ไหมวัชชะบอกว่าอะไรหญ้าและไม้แห้งผู้เจ้าบอกว่าถ้าไฟมันดับไปเธอรู <c oughs> ้ไหมเรารู้ไหมไฟมันดับไปรู <c oughs> ้ครับ <c oughs> ใช่ไหม เอาทีละอันถ้าไฟดับเนี่ยรู้ไหมว่าไฟดับรู้ครับอ่าและมันดับเพราะอะไรรู้ไหมจะเป็นลมหรือน้าก็ได้ครับอ่าวัชชาบอกว่าเพราะเชื้อคือหญ้าและไม้มันหมดไปถูกต้องไหมอ่าถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยอื่นใช่ไหมทน่นนี้ผู้เจ้าก็ถามวัชชาต่อว่าแล้วเปลวไฟที่มันดับไปเนี่ยมันไปทางทิศเหนือใต้ออกตกตอบได้ไหมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ใช่ไหม ก็ไฟมันหายไปก็หายไปเฉยๆมีแม่เปลวไฟวิ่งจู่ๆไปทิศเหนือจู่ๆไปทิศใต้ไม่มีใช่ไหมอ่าเพราะว่าเชื้อมันหมดเปลวไฟก็หายไปเฉยๆอย่างนี้พระเจ้าบอกหลักเดียวกันพระละหันตายแล้วไม่ได้ไปที่ไหนหายหายไปเฉยๆเข้าสู่สุญญาตาความว่า ง, างว่างจากขันตั้ง5้านะมรรคผลนิพพานนั่นเองเข้าถึงความไม่ตายไม่ต้องตายต่อไป เพราะมันผิดมาตั้งแต่คำถามคำถามมันหมายถึงว่ามีตัวอะไรจะวิ่งไปที่ไหนตัวไม่มีเพราะว่าพระอรหันไม่มีการเกิดเกิดไม่ปรากฏเป็นความว่างอย่างยิ่งเข้าใจไหมอ่าเป็ น, น่งนี้กล่าวนิธการกับอาจารย์ตอนนี้น่าจะได้เวลาอนสมควรที่มาเลยม า, า, าชั่วโมงแล้วเนาะ <laughs> ขออนุ ญ, ญาตให้นักเรียนสำรวมค่ ะ, ะเรีนสนะกายวาจาค่ะเดี๋ยวจะได้ไปพักผ่อนกันขออนุญาตกล่าวคำสั้นๆเพื่อเรียนพระอาจารย์ค่ะขออนเญาทุกๆคนสำรวมกายวาจาและใจค่ะเป็นความตั้งใจดีอย่างยิ่งนะคะที่นำพานักเรียนมาที่นวัดนาปา่าพง เพื่อที่จะมารับพุทธวจนะจากพระพุทธองค์ค่ะซึ่งภูมิธรรมของเด็กๆแต่ละคนรวมถึงคุณครูมีไม่มากนะักและมากน้อยแตกต่างกันมาเพื่อซึม ซ, ซับคำสอนของพระพุทธองค์หากกนมาในครั้งนี้ผิดพลาดประการใด ต้องขอกราบอาภัยพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะแต่สิ่งที่รับวันนี้คงจะก่อเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในอนาคตต่อไปขอให้จิตของเด็กๆทุกคนได้น้อมเข้าสู่พระพุทธองค์รวมถึงคณะครูทุกคนด้วยค่ะ ก็ ข, ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะคณะครูอาจารย์ที่ได้นำพานักเรียนมาเพื่อสั่งสมสุตตะในคำตถาคตก็ ข, ขอให้เหตุปัจจัยนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเราได้เป็นผู้สดับในธรรมของตถาคตเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเรานะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและก็ที่สุดให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคต ก, การัในใกล้โดยทั่หน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด